ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง mp สาแผ่นที่ห9สิบเกโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง mp สแผ่นที่ห9สิเก้าให้คติธรรมว่านะโหติสุขขังทุ ก, กตะ การินาคนทำชั่วย่อมไม่มีความสุขอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วคนทำความชั่วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคนนั้นจะหาความสงบสุขทางด้านจิตใจไม่ได้เลยพูดอย่างนั้นได้อะไรเพราะว่าการทำความชั่วกรรมชั่ว จะต้องทําให้ตนให้เดือดร้อนเมื่อภายหลังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า 84% ดหมพันพระธรรมขันแต่ละองค์แต่ละท่านเน้นหนักในคําตรัสของพระพุทธองค์อย่างไรแต่หลวงพ่อนี่ถ้าจะพูดถึงแนวความคิดดูแนวการประพฤติปฏิบัติแล้วหลวงพ่อเน้นหนักอย่างที่ว่าอากตังทุ ก, กตังเสยโยปัชชาตาปฏิทุ ก, กตัง คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทํำ เ, เลยดีกว่าในเมื่อเราทํากรรมชั่วทั้งสามถวานออกไปแล้วก็เมื่อกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อกรรมชั่วให้ผลแล้วตัวเองจะต้องวิ่งหัวสุกหัวสุนวิ่งหนีความชั่วของตนเองแต่มันก็ไปไม่รอดถึงจะรอดในภพนี้ชาตินี้ก็เถอะ แต่พบหน้าชาติหน้าเมื่ อ, อล้มหายตายวายชนไปแล้วไปตกนรกหมกไหมกรรมชั่วจนนั้นหนีไม่พ้นเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนตลอดไปเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านให้สำรวมระวังกายวาจาใจของตนเองอย่าทำความชั่ว